เชิดากับชายยันไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นเพราะเชื่อมือได้แน่ใจยอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่อมยิ้มมองมายังพรานใหญ่ด้วยประกายตาแจ่มใสหัวหน้าคณะเดินทางหันไปตบไหล่น้องสาวหัวรันเมื่อไหล่ก็เมื่อนั้นแหละน้อยอย่าไปรองมือเพราะเพีนเสียยากไม่งั้นเราก็ดูถูกตัวเองในกรณีที่จ้างเข้ามาหญิงสาวหัวร้อนจืดจืดไม่ใช่ไม่เชื่อหรอกค่ะแต่อยากดูมากกว่า เมื่อมือดีจริงก็ต้องพร้อมที่จะแสดงให้เห็นได้ทุกขณะความจริงในระยะขนาดนี้พวกเราก็พอจะยิงกันได้ทุกคนเว้นไว้แต่ว่าความเสียเปรียบของเราอยู่ตรงที่เราไม่สามารถจะมองเห็นเป้าหมายได้ถนัดเท่าเขากะไม่ถูกว่าควรจะวางกระสุนตรงไหนน้อยยอมรับว่ากลัวจะยิงมันนัดเดียวไม่อยู่ถึงไม่กล้ายิงแต่ถ้าจะเอาเพียงให้ยิงถูกนะั้นยิงยังไงไงก็ไม่ผิดแน่แล้วหล่อนก็หันไปทางระพินถามหน้าตาเฉยว่า อย่างนี้ใช่ไหมที่เคยพูดติดป่าอยู่เสมอว่าปืนเที่ยงนะ่ะจอมพลานไม่ตอบเป็นแต่ยิ้มยิ้มเชิดถาสั่งให้พวกลูกหาไปหามเสือตัวนั้นมามันเป็นเสือหนุ่มขนาดโตเต็มที่รอยกระสุนสังหารแทนที่จะเข้าศรีรษะตามที่ทุกคนเข้าใจกลับพบว่าเจาะทะลุก้านคอตัดกระดูกคอหักเอ๊ดาดินร้องอย่างสงสยัย ฉันคิดว่าคุณคงเล็งหัวมันมากกว่านะใช่ไหมมันผิดที่เลงแล้วก็พลาดไปเข้าก้านคอพอดีรายการนี้ฟลุกกระมังผมเล็งหางตะหกักแต่มันพลาดไปถูกก้านคอพอดีระพินบอกเรียบๆหน้าตายดาลินคอนแต่เชื่ากับชายยานพากันหัวเราะชอบใจขณะนั้นมันเป็นเวลาเที่ยงเศษเล็กน้อยตามกําหนดเดิมของระพินขบวนเกวียนทั้งหมดจะต้องไปถึง หุบชมดในเวลาเที่ยงแต่อันเนื่องมาจากที่การออกเดินทางในเช้าวันนี้เสียเวลาไปมากเพราะฉะนั้นจึงคลาดเคลื่อนที่หมายไปเชีย่ยวาสอบถามเขาถึงระยะทางที่จะไปถึงหุบชมดซึ่งพรานใหญ่ประมาณไว้ว่าระยะทางเดินอีกร่วมสองชั่วโมงเต็มๆหัวหน้าคณะเดินทางจึงสั่งให้หยุดพักหาอาหารกลางวานันกินกันก่อนขอบวนเกวียนทั้งหมดโดยข้ามลาธารน้ำไปหยุดพักในเวรป่าร่มรื่นฝั่งตรงข้ามเพื่อหุงหา ระหว่างที่คณะนายจ้างนั่งกินอาหารแบบง่ายๆกันอยู่ริมทานน้ำพรานใหญ่ก็เดินตรงเข้ามาพูดหาดื่ออะไรกับเชษฐาและชายยันคำสองคำแล้วก็หันมาทางดาลินคุณหญิงอยากจะเห็นตัวจริงของบ่างมานานแล้วไม่ใช่หรือครับขนาดเมื่อคืนนี้อุตสาหลงทุนออกมาสองไฟแล้วก็ยิงนกถึบถือรลรงมาแทนทาไมตามผมมาทางนี้สิครับ แล้วคุณหญิงจะได้เห็นตัวจริงของมันชัดออกไปเสียทีข่าวหลังในเวลากลางคืนได้ยินเสียงมันร้องจะได้ไม่ต้องสนใจอีกหล่อนไม่พูดอะไรอีกผุดทุกขึ้นยืนโดยเร็วเดินไปที่เกวียนคว้าปืนลูกกดขึ้นมาแล้วไปยักหน้ากับเขาเป็นความหมายให้นําแล้วผีหนู่ร่อมเบาๆออกเดินนําเลาะฝั่งลําธารน้นําตรงไปที่ต้นตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งไม่ห่างออกจากบริเวณที่หยุดพักเท่าไหรนักชายยานเดินตามมาด้วย แล้วเขาก็ชี้ไปที่ปลายกิ่งมืดคล้มตอนหนึ่งของตะเคียนต้นนั้นแวดร้อมไปด้วยกิ่งไม้ใบเถาวันที่ปกคลุมเป็นซุ้มหนามีนกกะริงกับนกเป้าฝูงใหญ่เกาะ อ, อยู่ย้อยเยื้อส่งเสียงร้องแซดนกเหล่านั้นพากันมาจิกกินลูกใส่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆไหนการบางไม่เห็นสักหน่อยเห็นแต่นกเป้ากับนกกะลิงหล่อนพยายามจ้องแล้วร้องถามมาเบาๆดูให้ดีสิครับ ที่ปลายกิ่งใต้ซุ้มทึบนั่นยังไงคล้ายๆถุงดำๆที่ห้อยอยู่นั่นนั่นมะเหล่าบางฉันมองไม่เห็นว่ามันจะเป็นตัวสัตว์อะไรเลยนอกจากใบไม้แห้งหรือใยเถาวัลย์แห้งๆที่ห้อยอยู่ดูอีกทีคล้ายๆก า, าบมะพร้าวเงี้ยแหละนั่นแหละครับมันละมันออกหากินเฉพาะกลางคืนเหมือนค้างคาวกลางวันเอาปีกห่อตัวมิดชิดเกาะห้อยกับกิ่งไม้นอนมองดูเหมือนถุงน้ําเก่าๆหรือกาบมะพร้าวอย่างนั้นละ อยากจะเห็นให้ชัดก็ลองสอยมาลงมาสิครับดาลินชำรเงืองมองดูเขาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วต ว, วัดปืนลุกกดขึ้นประทับบ่าเล็งไปที่เจ้าสิ่งอันมีลักษณะเหมือนถุงดําที่ห้อยอยู่นั้นเหนียวไกปล่อยกระสุนจุอ อ, ออกไปเป้าหมายที่เห็นแกว่งไหวเรียกน้อยแสดงว่าหัวกระสุนธรุผ่านไปหล่อนเอียงคอดูแล้วหันมาจ้องหน้าเขาอีกครั้งอย่างไม่วายกังขาแต่แล้วก็อุทานออกมาเบาๆ เมื่อรู้สึกว่าจะมีหยดน้ําอะไรชนิดหนึ่งไหลลินออกมาจากถุงน้ําอันนั้นหล่นลงกระทบพื้นใบไม้แห้งดังแมแมะแมะเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ก, ก็พบว่ามันคือเลือดสดๆอึใจนั้นเองหล่อนก็ประทับปืนขึ้นอีกอย่างรวดเร็วปล่อยกระสุนซ้ําไปอีกนัดคราวนี้เจ้าสิ่งนั้นก็ร่วงพลอยจากกิ่งไม้ลอยระริ้วลงมากระทบพื้นดังตุบพลิกตัวดิ้นเพียงเบาๆสองสามครั้งก็สงบนิ่งสัตว์ ลักษณะประหลาชนิดหนึ่งซึ่งหลอนไม่เคยรู้จักมาก่อนรูปร่างครึ่งค้างขาวครึ่งกระลอกหรือหนูตัวเกือบเท่าแมวเขื่องเขื่องนอนตายอยู่ให้เห็นชัดกับตาแล้วเพียงก้มลงจับมันนอนงายขึ้นและแผ่ปีกอันเป็นหนังบางๆที่ขึงอยู่รอบตัวของมันออกไปเพื่อให้หลอนและชายยันได้เห็นถนัดดาลินครางออกมาอย่างประหลาดใจเข้ามาก้มดูใกล้ นี่น่ะเหรอไอ้ตัวที่ร้องกวนประสาทในเวลากลางคืนที่เรียกกันว่าบางนี่แหละครับดูไว้เสียให้รู้จักขาวหลังจะได้ไม่ต้องมามัวประสาทเสียอยู่อีกสัตว์ชนิดนี้เป็นการจัดสรรพิสดารอย่างหนึ่งของธรรมชาติที่นำอนกค้างคาวและหนูเข้ามารวมเข้าไว้ด้วยกันปีกของมันแทนที่จะเหมือนค้างคาวกับเป็นแผ่นรอบตัวเหมือนลมชูชีพเวลาเกาะต้นไม้ที่มันต้องการได้แล้ว มันจะต่ขึ้นไปด้วยความรวดเร็วแคล่วคล่องเหมือนกระรอกไม่มีผิดไม่กระพือปีกบินแบบนกหรือค้างคาวแต่จะขึ้นไปบนต้นไม้สูงแล้วถาร่อนกลางหนังปีกออกล่อนลงมาอย่างที่หมายซึ่งอยู่ต่ำกว่าและไปได้ไกลๆเหมือนกันพอตอนกลางวันก็เอาปีกซึ่งเป็นแผ่นหนังหุ้มไว้รอบตัวเกาะนอนตามกิ่งไม้จะออกหากินเฉพาะกลางคืนเท่านั้นบางมีอยู่หลายชนิด แต่ไอตัวนี้คือบ่างควายตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ร้องเสียงวิกลวิการดีนะักใครขวัญไม่ดีเวลาเดินป่าได้ยินก็นึกว่าผีหรอกความจริงมันเป็นสัตว์เล็กกินพืชและผละไม้ไม่ได้เป็นภัยอันตรายอะไรมากไปกว่าพวกกระรอกหรือค้างคาวเลยเสียงร้องของมันเท่านั้นที่ฟังแล้วไม่ค่อยจะจริเริมหูผมก็เพิ่งจะเห็นตัวจริงของมันนี่เองชัยยันว่าจ้องมองดูซากบางควายอย่างสนใจ ส่วนดาดินถอนใจออกมาโล่งอกชำเลืองมองดูหน้าพรานใหญ่ยิ้มก่อยๆขอบใจมากที่แนะนํามันให้เห็นและรู้จักไว้ไม่งั้นฉันก็คล่องใจอยู่นั่นเองเวลาได้ยินเสียงมันร้องตอนกลางคืนดูรูปร่างมันแล้วเทียบกับเสียงที่มันร้องไม่น่าจะเป็นไอ้ตัวชนิดนี้เลยนะเดีย๋ยวว่าแต่คุณหญิงเลยครับชาวป่าเองบางกลุ่มเขายัางกลัวเสียงบางกันถือเป็นลางร้ายถ้าดินเสียงมันร้อง ส่วนมากเขาเรียกกันว่าบางผีถ้าบางผีนี่ทําเสียงขึ้นให้ได้ยินเมื่อไหร่ก็เชื่อกันว่าต้องมีภัยพิบัติหรือการตายเกิดขึ้นมันเป็นความเชื่อกันอย่างงม ง, งายมานานแล้วความจริงมันร้องตามธรรมชาติของมันแท้ๆเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยจะร้องบ่อยนักเท่านั้นแล้วทั้งสามก็เดินกลับมาที่ขบวนเกวียนซึ่งขณะนี้ทุกคนกินอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปได้ ดาลินฮิวอาบาตัวนั้นมาด้วยพอพิชายเห็นก็จุกปากเบาๆน้อยมือสซนจริงไปยิงมันมาทำไมมันไม่ได้เป็นภายอะไรเนื้อหนังก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ทัศนศึกษาครับพี่ใหญ่อยากเห็นชัดๆและรู้จักมันไว้ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงถึงได้ร้องกวนประสาทนักในเวลากลางคืนฟังแล้วนอนไม่หลับขอยิงมันเป็นตัวแรกและตัวสุดท้ายเชื่อถาไม่สนใจอะไรอีก พยักหน้าเรียกระพินเข้ามาพางควักเอาแผนที่ซึ่งพรานใหญ่ทำไว้คร่าวๆเมื่อคืนนี้ขึ้นมาดูผมตกลงใจแล้วระพินเมื่อถึงหุบชมดเราจะแยกจากขบวนเกวียนใหญ่ออกตามรอยอ้แหว่งทันทีปล่อยให้เกวียนมุ่งหน้าไปภาคแหลมห้วยหยดทองสำหรับคืนนี้ส่วนพวกเราไปกันตามลําพังแล้วแต่ทิศทางอ้แหว่งจะนําไปบอกพวกเกวียนเสียให้รู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วง พรถึงอย่างไรเราก็จะไม่ย้อนไปสมทบกับเขาที่ห้วยใหทองแน่สำหรับคืนนี้พอลุ่งขึ้นก็ให้เขาบ่ายหน้าขึ้นป่าหวายและเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วให้เขาหยุดพักอยู่ที่นั่นเพื่อรอเราจนกว่าเราจะไปถึงไม่ว่าจะสักกี่วันพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่ย้อนไปห้วยใหญ่ทองแต่จะตามไปพบที่ป่าหวายเลยฉันก็กำลังคิดอย่างนี้เหมือนกันชยัยยานเสืมาตามองจับหยุดในแผนที่ ว่าแต่เราจะไปสมทบเกรียนที่โป่งผีสิงเมื่อไหร่พรุ่งนี้หรือมะรืนเชิฐาเหลือบตามองดูพรานใหญ่เหมือนจะหาลือแล้วว่าอันนี้เห็นจะต้องแล้วแต่เหตุการณ์กระมังอาจเร็วหรือช้าไปบ้างตามกรณีแต่ถึงอย่างไรก็คงไม่เกินสามวันเพราะเกี่ยวกับสเบียงที่เราจะเอาติดตัวไปได้หรื อ, อยังไงระพินถูกของคุณชายแล้วครับมันแล้วแต่เหตุการณ์ แล้วก็สเสบียงเท่าที่เราจะเอาติดตัวไปด้วยได้แต่นั่นเห็นจะไม่เป็นปัญหาอะไรนะักในเมื่อเรารู้แน่อยู่แล้วว่าแคมป์ใหญ่เราอยู่ที่ไหนถ้าการตามรอยกระชั้นชิดติดพันเข้าไปเต็มที่ชนิดที่ทิ้งไม่ได้เราก็อาจส่งพวกเราคนใดคนหนึ่งแวะไปเอาสเสบียงเพิ่มเติมโดยไม่จาเป็นต้องบายหน้ากับแคมป์กันทั้งหมดก็ได้แต่สาหรับความเห็นของผมแล้วผมอยากจะให้พวกเราทั้งหมดที่จะไปในคราวนี้ เอาสัมภาระติดตัวไปให้น้อยที่สุดเพื่อความคล่องแคล่วรวดเร็วสะดวกต่อการติดตามเพราะฉะนั้นสเสบียงที่นำไปไม่ควรจะเกินกว่าขนาดสมวันเป็นอย่างสูงขาดหรืออย่างไรก็คิดกันทีหลังั้งงั้นเตรียมการกันเสียเรียบร้อยที่นี่เลยพอไปถึงหุบชะมดจะได้เริ่มต้นเดินทางได้โดยไม่เสียเวลาหัวหน้าคณะเดินทางสั่งแล้วพินก็เรียกพานของเขาทั้งสี่คน แง่าสายและนายเมยหัวหน้าลูกหาบเข้ามาประชุมพร้อมกันในทันทีนั้นและสั่งการกำหนดหน้าที่ให้รู้ตามแผนผู้ที่จะติดตามไปกับฝ่ายแกะรอยถูกคัดเลือกเพียงสองคนเท่านั้นคือเกิดและแง่ท า, ายส่วนบุญคำจันทร์และเซย์พร้อมด้วยลูกหาบทุกคนจะออกเดินทางตามเส้นเดิมไปพร้อมกับขบวนเกวียนโดยมอบหมายให้บุญคาซึ่งอาวุโสกว่าทุกคนเป็นหัวหน้ารับผิดชอบ ควบคุมดูแลขบวนเกวียนทั้งหมดนัดหมายให้รู้แน่ว่ากองเกวียนจะต้องไปตั้งแคมป์รอคอยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและปฏิบัติเช่นไรบ้าง mm hmm. เมื่อเห็นการมอบหมายสั่งงานและจัดวางแผนแบ่งพวกของพานใหญ่คณะนายจ้างทั้งสามก็พอใจเห็นด้วยว่าการจัดสารของรถพินถูกต้องแล้วในการที่มอบให้บุญคําเป็นหัวหน้าคณะควบคุมกองเกวียนและมีจันทร์กับเสรยร่วมอยู่ด้วยอีกสองคนพอที่จะไว้วางใจได้ หลังจากมอบหมายหนะ้าที่ซักซ้อมกันเป็นที่เข้าใจดีแล้วฝ่ายที่จะแยกไปจัดการตัดเตรียมสเสบียงและสิ่งจำเป็นติดตัวบรรจุเตรียมพร้อมลงเฉพาะในย่ามเครื่องหลังของแต่ละคนโดยไม่เกะ ก, กะหรือถ่วงหนักเกินไปสำหรับเครื่องเวชภัณฑ์ที่ดาลินเตรียมไปในย่ามหลังของส่วนตัวของรอนมีแต่เพียงยากินและยาฉีสองสามชนิดเท่านั้นไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมเสร็จ ขบวนเกวียนก็เริ่มเคลื่อนที่รุดหน้าต่อไปในวาระนั้นครานใหญ่เดินด้หน้าสำรวจไปเรื่อยๆเหมือนเคยหนทางที่ตายมาบนสันขาวโดยตลอดเริ่มจะเทลาดตามลงเป็นลำดับในที่สุดก็ลงสู่ป่าโปร่งสลับไปกับทุ่งหญ้าคาระหว่างช่องเขาใหญ่สองรูปปากทางอันจะนำเข้าสู่หุบชมดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นมะขามป้อมมะกอกป่าและมะหวดที่รู้กาลังโดก เห็นร่องรอยของช้างโขงลงหา ก, กินหักโค่นต้นไม้ไว้กราดเกลื่อนเป็นรอยที่ผ่านมาแล้วประมาณสองวันโข่นไม้ใหญ่และจอมปลวกบางแห่งมีรอยลงงาไว้อย่างขนองทันทีที่ขบวนเกวียนเหยียบแยกล ง, งสู่บริเวณป่าทุ่งตอนนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงสัตว์ประเภทตีนกีบน้ำหนักตัวมากพากันควบตะบึงแตกตื่นเสียงสนั่นทุ่งทางด้านซ้ายมือประมาณไม่ต่ำกว่าสิบตัว แต่มองไม่เห็นตัวนอกจากจะได้ยินเสียงควบหนีห่างออกไปอย่างรวดเร็วบ่ายหน้าไปยังดงทึบริมขาวด้านหน้าและมองเห็นพรานใหญ่ผู้เดินนําอยู่เบื้องหน้าระยะห่างประมาณ50สบหลาขณะนี้ซุดตัวลงนั่งคุกเข่าอยู่ริมซุ้มระเหาะกําลังเพ่งดูอะไรอยู่แล้วก็ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบนั่งอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเกวียนของนายจ้างเคลื่อนเข้ามาถึงจึงลุกขึ้นยืนเมื่อตะกี้นี้อะไรนะ่ะบัวหรือกระทิง เชฐาถามกระทิงครับผมเกือบจะเดินไปชนมันเข้าให้แล้วบังเอิญลมแปรทิศมันได้กลิ่นเสือก่อนสักสิบสี่สิบห้าตัวเห็นจะได้พรานใหญ่บอกแล้วก้าวก็มาขวางหน้าเกวียนไว้โบกมือเป็นสัญญาณให้ขบวนทั้งหมดหยุดเตรียมตัวได้แล้วครับเราจะแยกกับขบวนเกวียนที่นี่แหละแล้วก็หันไปตะโกนสั่งความอะไรอยู่กับบุญคาอึดใจใหญ่ต่อมาเชฐิฐาชัยยานันและดาลิน ก็กระโดดลงจากเกวียนพร้อมที่จะออกเดินทางได้แงซายและเกิดก็ก้าวออกมารวมกลุ่มสมทบทุกคนมีย่ามเครื่องหลังที่เตรียมไว้รุวงหน้าแล้วติดหลังพร้อมต่างสำรวจตะเตรียมตนเองอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเชฐาถือจุด4 5 8แมกนัมชายยันสายจุด600ไนโตรดารินน้นคงใช้จุด470ริกบีอันเป็นปืนขนาดหนักที่สุดเท่าที่รอนจคอนได้ เกิดกับแงซ า, ายมีไรเฟิลที่ได้รับแจกจากคณะนายจ้างขนาดเดียวกันคือจุด3 7 S Mac n S แม็กนัมคนรักกะบอก mm hmm. เมื่อทุกคนพร้อมและปินก็เดินไปที่เกวียนขวาย่ามเครื่องหลังของเขาเวียงซ้ายขึ้นสภาย์ไล่ช่วยจุด458ของเชืาอี ก, กระบอกหนึ่งซึ่งมอบให้เขาไว้เป็นไรเฟิลคู่มือสำหรับการติดตามไอแหว่งโดยเฉพาะขึ้นมาสารวจดูกระสุนอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ แล้วก็แทกลูกเลื่อนส่งนัดแรกขึ้นประจำรังเพิงพรางรถนกเรียบร้อยหรือครับเชษฐาโบกมือแทนคำตอบพรานใหญ่ก็เบี่ยงทางหลบให้แก่เกวียนคน้าตะโกนบอกกับบุญคำเป็นประโยคสุดท้ายคอยอยู่ที่ป่าวายให้ลูกหาบทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด บ, บุญคำจันทร์และเสยโบกมือให้แก่เขาและคณะนายจ้างแล้ว ขบวนเกวียนก็เริ่มเคลื่อนใบหน้าไปทางหุบเขาทํามืนที่เห็นริบๆอยู่เบื้องหน้าทั้งหมดยืนรวมกลุ่มกันอยู่ที่นั่นมองดูขบวนเกวียนที่เดินห่างออกไปจนเกือบจะรับตาและบุรีที่จุดสูบหมดมวนพอดีแล้วพินจึงหันไปสบตาคณะนายจ้างเขาอีกครั้งทุกคนดูเหมือนจะมองจับอยู่ที่เขาก่อนแล้วประกายอึดอัดใจและวิตกกังวลเล่นรับปรากฏที่แววตาของพรานใหญ่ เมื่อเบนสายตามาจับอยู่ที่หม่อมราชวงหญิงดาลินวราลิศหล่อนจ้องตาเขาอย่างรู้ทันในความรู้สึกและไม่พอใจนักแต่สงบนิ่งเผชิญสายตาก้าวๆจับเป็งอยู่ที่เขาเช่นนั้นแล้วพินเป็นฝ่ายเมินรบโยนก้นบุหรี่ลงกับพื้นแล้วเหยียบดับเขี่ยใบ ไ, ไม้แห้งกลบไว้สำหรับวันนี้เราเหลือเวลากันอีเพียงไม่เกินสี่ชั่วโมงก่อนข้าไปกันเถิดครับ ทั้งหมดเริ่มออกเดินเงียบๆภายใต้การนำของเขาครานใหญ่ทวนย้อนเส้นทางเดินของเกวียนไปประมาณอึดใจใหญ่ก็แยกทางลงทุ่งสลับไปกับประมาะทางด้านตะวันออกสำรวจไปตามต้นไม้เล็กและจอมปลวกตลอดจนพื้นดินที่มีรอยเหยียบย่ำสับสนเหล่านั้นแล้วมาหยุดพิจารณาดูที่ดอนสูงลูกหนึ่งเบื้องบนปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้เล็กและเถาวัลย์มีรอยกระชากหักกิ่งลงมากินและที่ตีนดอน มีรอยงาแทงงัดดินไว้กระจุยกระจายลาวกับใครเอาจอบหรือเสียมมาพลวนเขาตรวจดูอยู่เพียงครู่เดียวก็เดินผ่านไปกระซิบบอกกับเชษฐาและชายยันที่เคียงไหลามาข้างๆว่านั่นเป็นร่องรอยของช้างป่าโคงอื่นซึ่งไม่ใช่ไอ้แหว่งทั้งหคนในคณะไม่มีใครพูดกับใครโดยไม่จําเป็นเชษฐาชา ย, ยันและดาลินเดินตามหลังดพินไปเป็นกลุ่ม ส่วนเกิดและแง่สายแยกกันออกเป็นปีกลางท้ายดูผ่าผ่าดคล้ายจะเดินชมนกชมไม้ไปอย่างธรรมดาแต่โดยแท้ที่จริงประสาทพรานอันคมกริบเฉียบวของทั้งสองใช้งานอย่างเต็มที่ประสานสัมพั์กับพรานใหญ่ผู้รุดนำไปเบื้องหน้าจะสังเกตเห็นได้จากการที่เกิดเดินเร่งฝีเท้าขึ้นไปง ข, ข้างระพินและพูดซุบซิบหาหรืออะไรด้วยอยู่เสมอแล้วก็แยกลงมาเดินสำรวจด้านหลังตามเดิม ส่วนแง่า ย, ายก็หยุดพินิษพิจารณาอะไรอยู่บ่อยๆครั้งแต่ไม่ปิดปากพูดหรือแสดงปฏิกิริยาเช่นไรนอกจากเงียบๆนิ่งๆอยู่เช่นเคยอันเป็นปกตินิสัยเชษฐาและชายยานพยายามอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาอ่านรอยเหล่านั้นและพยายามตามให้ทันความคิดของพรานใหญ่โดยไม่จะเป็นต้องเอ่ยปากถามพร่ำเพื่อแต่ทั้งสองก็ไม่แน่ใจนักว่าตนจะสามารถเข้าใจอะไรได้ตรงกับรบพินหรือไม่ นานๆนนก็ถ่ายทอดความรู้สึกของกันและกันหาหรือกันเองเสียครั้งหนึง่งรวมทั้งถ่ายความคิดของพรานใหญ่ส่วนดารินไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้เลยทั้งสิ้นแล้วก็บอกตอนเองว่าไม่จาเป็นจะต้องสนใจอะไรกับร่องรอยเหล่านั้นให้ยุ่งยากปวดสมองหล่อนมีพรานนำทางอยู่แล้วพร้อมอยู่ประการเดียวคือถ้าวิกฤต ก, การณ์เกิดขึ้นเมื่อใดหล่อนเผชิญหน้าได้เมื่อ น, นั้นขณะเดียวกันก็กเกิดความหงุดหงิดกุ่นๆอยู่ในใจ ตพาพรานลายใจกล้าคนนี้เก๊กท่ากวนประสาทขวางลูกตาอย่างนี้ทุกครั้งหล่อนคิดขณะที่นำออกติดรอยตามล่าหรือขณะเดินทางครั้งไรเป็นสาวเท้าจ้ำพวดพวดไม่มีการรั้งลอหรือเลี้ยวมาให้ความสนใจกับใครทั้งสิน้นไม่ยอมพูดไม่ยอมปรีปากบอกอะไรถ้าไม่ซักต้องคอยง้อถามโน่นถามนี่อยู่เรื่อยและถามคาก็ตอบมาคำนะ่าหมันไส้พิลึก ดูใจยากหรือเกินคนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ดูเอาเถอะตั้งแต่เริ่มออกเดินทางมาจะรดฝีเท้าลงมาเดินรวมกลุ่มอธิบายรายให้ฟังมั่งก็ไม่มีให้ตั้งหน้าตั้งตาเดินตามหลังไต้ต้ยไปเหมือนบ้าใบ้กันเป็นหมดนั่นแหละดาลินเก็บความขวางไว้ในใจไม่ยอมปรีปากพูดคำใดออกมากับใครเหมือนกันแม้แต่พี่ชายหรือชายยันฮึดกัดฟันเดินไปด้วยอารมณ์เครียดมัว หนึ่งชั่วโมงผ่านไปกลางละมาะสลับไปกับทุ่งโลง่งอันร้อนระอุนั้นหล่อนเริ่มหิวน้ำแต่ไม่ยอมเปิดกระติกออกดื่มบทหมากฝรั่งเยบิบเยิบอยู่ในปากเงื่อชุ่มโชกใบหน้าเปียกเสือ้อเดินป่าจนรัดแนบเนื้อราวกับชุบน้ำความทรหดอดทนอันเป็นธรรมชาติพิเศษที่เหนือเพศของตนเองมีอยู่ก่อนแล้วเมื่อมาผสมกับทิฐิมานะและความขุนใจที่สุมอยู่กลุ่น ดาลินวราลิตก็กลายเป็นผู้ชายอกสามซอกไปคนหนึ่งจนแม้แต่ระพินเองผู้รอบชาเลืองสังเกตมาทางเบื้องหลังบ่อยๆก็ยังอดที่จะประหลาดใจสีไม่ได้ผ่านระมาะลงสู่ทุ่งหญ้าคาเนื้อสมันอันเป็นกวางชนิดที่หายากที่สุดจนเชื่อแน่กันได้ว่าได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วตัวหนึ่งกระโจนพรวดพลาดตัดหน้าทั้งหมดไปในระยะไม่เกิน29า กระโดดตัวรอยไปในพงหญ้าคาและต้นอ้อขนาดสูงท่วมหัวเห็นแต่ส่วนลำคออันยาวระหงและศรีรษนที่มีกิ่งขาวงดงามของมันเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วระพินยืนชะงักมองดูมันวิ่งหนีไปซึ่งซึ่งหน้าด้วยอาการสงบส่วนเชษฐากับชายยานจ้องมองอย่างตื่นตระึงเพราะไม่คิดฝันมาก่อนแล้วปิบตา น, นั้นเองความตื่นเต้นจนลืมตัวทาให้ชายยานตวัดปืนขึ้นบา่าแต่เชษฐาไวกว่า ตบลำกล้องปืนของชายยานเงยสูงขึ้นเสียพร้อมกับร้องห้ามเร็วปือเพื่อนของเขาจิงชะงักก่อนที่จะล่านไกลอึดใจต่อมาภาพกิ่งเขางดงามนั้นก็หายรับไปโอ้โหตาฝาดไปหรือเปล่านี่นั่นมันสมันใช่ไหมพับผ่าสิเชิถานี่ถ้าแกไม่ห้ามไว้ก็ได้ตัวแล้วชายยานครางออกมายัางไม่วายตื่นเต้น เรากำลังตามไอ้แหวงลงแรงเหนื่อยยากกันมาเพียงเพียงนี้แล้วแกจะเลิกล้มเสียกับเพียงสมันตัวนั้นเลยหัวหน้าคณะเดินทางพูดต่ำๆชัยยานถอนใจเฮือกยิ้มแห้งๆขอโทษทีมันลืมตัวไปหน่อยไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาพบไอ้ตัวเขาเงาที่เคยเห็นแต่เขาของมันในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นถ้าเราได้ตัวหรือแม้แต่เขาของมันไปโชว์โลกของัตวรรษคงจะตื่นเต้นง ง, งวยกันไม่ใช่น้อยทีเดียว ก็ไหนเขาว่ากันว่าไอ้กวางชนิดนี้มันสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้มาตั้งหลายสิบปีแล้วไม่ใช่หรือประโยคหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่หันมาถามระพินก็อย่างที่ผมเคยบอกแล้วยังไงเราครับสัตว์ป่าหลายตัวหลายชนิดที่นักสัตวศาสตร์ผู้นั่งเขียนตำราหรือบรนทุกอยู่ในเมืองเข้าใจว่ามันสูญสิ้นหมดพันธุ์ไปแล้วแต่ความจริงมันยังคงพอมีหรืออยู่บ้างในป่าที่เขาสำรวจไม่ถึง เว้นไว้แต่ปริมาณอาจลดน้อยลงมากเท่านั้นเอาถิดครับเมื่อเดินลึกเข้าไปกว่านี้ในหนทางข้างหน้าของเราพวกคุณจะได้เห็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกมากมายนะักคุณเคยได้ตัวมันบ้างหรือเปล่าเจ้ากวางประเภทนี้เชฐาถามอย่างสนใจเขาเองก็ทึ่งไม่น้อยไปกว่าชายันป่าแถบอื่นที่ผ่านๆมาผมไม่เคยพบเพิ่งจะมาพบครั้งสองครั้งในดงแถบนี้หละครับ แต่อันเนื่องมาจากที่เขาว่ากันว่าหายากที่สุดและบ้างก็ว่าสูญพันธ์นไปแล้วผมจึงไม่คิดที่จะยิงมันเลยเพียงแต่พยายามจะดักจับเป็นให้ได้เพื่อส่งไปให้สวนสัตว์แต่ก็ยังดักมันไม่สําเร็จสักทีกําลังพยายามอยู่มันเหลืออยู่น้อยตัวเต็มทีไม่ค่อยจะได้พบวันนี้ฟลุกยังไงไม่ทราบแหวกไปตามพงหญ้าสูงตามรอยเดินของครูงช้างที่เป็นช่องราวกับใครมาทําไว้ให้ เกิดกับแง่ทรา ย, ายเก็บไข่นกกระทาโดงได้คนละหลายใบซุกซ่อนอยู่ในกอหญ้าแหง้งห่อผ้าของม้าใส่ ย, ย่ามหลังไปสําหรับเป็นสเสบียงดารินนึกสนุกเดินก้มหาไปตามกอหญ้าที่ผ่านไปบ้างพอเจอไข่เข้ากองหนึ่งก้มลงจะเก็บ ด, ด้วยความดีใจแง่ทรายผู้เดินตามมาเบื้องหลังก็คว้าข้อมือไว้อย่าครับนายหญิงไข้งูดารินหดมือโดยเร็วกระโดดถอยห่างออกมาอย่างตกใจ แล้วจากนั้นหล่อนก็เข็ดไม่คิดที่จะก้มลงมองหาไข่นกอีกนอกจากกว่าสายตาวาดว่าไปตามพื้นหญ้ารกที่เดินผ่านไปรอบด้านอย่างระแวงยิ่งหว่าเสียวขนรุกขนชันมากขึ้นเมื่อระพีนผู้เดินนำไปเบื้องหน้าใช้ส้นรองเท้าคอมแบตกระทืบงูกะปะตุกไฟตัวหนึ่งหัวแหลกเหลว อ, อยู่ในหลุมรอยตีนช้างและชี้ให้ดูตลอดทางที่ฝ่าไปในป่าหญ้า นกไตติวิตตื่นตกใจพากันบินผูขึ้นมาจากสองฟากหญ้ารกส่งเสียงร้องร้่นให้เห็นเป็นระยะสลับไปกับกระทาดงที่ชุมเป็นพิเศษใบอันสาคมของหญ้าสลับไปกับแฝกเกี่ยวใบหน้าของร่อนเป็นริ้วรอยคันยิบไปหมดสองแก้มแดงปรังเกาะพราวไปด้วยเหงื่อเพราะความเหนื่อยแต่ดวงตาฉายแสงบึกบึนทรหดโดยไม่ย่อทอ้อเกือบจะสุดบริเวณทุ่งหญ้าคาอันสูงท่วมหัวนั้น พรานใหญ่ผู้เดินนําอยู่เบื้องหน้าก็หยุดชะ ง, งักเล็กน้อยและทันทีนั้นเองทุกคนได้ยินเสียงอีดอาดดังแท่ตามลงมาจากชายระเมาะที่เห็นเป็นทิวอยู่เบื้องหน้าเสียงเหล่านั้นครั้งแรกก็ได้ยินเบาๆเหมือนหูจะแว่วไปก่อนแต่แล้วมันก็ดังชัดเจนถนัดขึ้นได้ยินแม้แต่เสียงลงกลือกลิ้งในปลักน้ําและเสียงทะเลเ บ, บาะแว้งกันอันเป็นสัญญาณของเจ้าพวกหมูป่าที่รวมกลุ่มกันอยู่เป็นฝูงใหญ่ เกิดกับแง่ายค่อยๆบุกแหวกพงแยกจากรอยช้างออกไปอย่างเงียบกริบในขณะที่เชษฐาดารินและชายยันก็จะดฝีเท้าขึ้นมาเคียงไหลรบพินแต่ในขณะนี้พงหญ้าและต้นอ้อเป็นฉากบังอยู่เบื้องหน้าทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นออกไปได้ไกลเกินกว่าสิบก้าพรานใหญ่เงี่ยหูจับเสียงและสังเกตไปทางปลายยอดหญ้าค้นหาทางลมอยู่อึดใจก็เคลื่อนนาต่อไปอย่างแผ่วเบา ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเขาก็นำคณะนายจ้ามาซุดคุกข่าวอยู่ที่ใต้ซุ้มอ้อพงหนึ่งบุยปากออกไปเบื้องหน้าอันเป็นบริเวณทุ่งราบกว้างใหญ่ไม่ทึบเหมือนที่ต่างซุ้มอยู่ในขณะ น, นี้ห่างออกไปประมาณสองร้อยหมูฝูงใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบแปดสิบตัวมีตั้งแต่ตัวผู้ขนาดใหญ่กำยำเขี้ยวแหลมโผล่พ้นออกมาจากปากและลูกเด็กเล็กแดงพากันนอนเกลือกลี้ยงอยู่ในลมโคลน และเอาจมูกคุดคุนค้นหาอะไรกินง่วนอยู่ตามพื้นดินใกล้ๆบางขณะก็กัดกันเพื่อแย่งอาหารดุราคร่ำจุนนมูลไปหมดมีหมูใหญ่เขี้ยวงงเดินร้อมวงอยู่เบื้องนอกเหมือนจะเป็นยามระวังเหตุพวกมันไม่มีการระมัดระวังเสียงบ้างเลยส่งเสียงร้องกันตามภาษาลั่นทุง่งทุกคนซุ่มดูมันเงียบๆอยู่ครู่เกิดก็คานเข้ามาที่ระพิน เลือกตัวอ่อนๆไปเป็นสเสบียงสําหรับอาหารค่ํานี้สักตัวไหมครับนายเราไม่ต้องการให้มีเสียงเปืนโดยไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องการมีของหนักเพิ่มขึ้นด้วยแล้วพีนสันศรีศรษะกระซิบหามเกิดจุ๊บปากออกมาอย่างสุดเสียดายและทันทีนั่นเองหมูทั้งฝูงที่กําลังส่งเสียงอยู่ก็พากันหยุดเสียงเงียบสนิทลงราวกับนัดกันไว้อย่างปัจจุบันทันด่วนผู้ที่เกลือ ก, กิ้งแค่อยู่ในป ร, รัพกพวดพลาดลุกขึ้นยืน ส่วนพวกที่เดินหากินอยู่รอบนอกก็หยุดชะงักกับที่ชูจมูกสูดกลิ่นต่อมาอีกวินาทีเดียวพวกมันทั้งหมดก็พากันวิ่งรูเป็นขบวนอย่างรวดเร็วพระออกจากบริเวณนั้นบ่ายหน้าเข้ามาทางพงหญ้าขารกที่มนุษย์ซุ่มกันอยู่โดยเสียงห่างออกไปประมาณสา0ร้อยหลาเจ้าตัวใหญ่ๆวิ่งรางท้าย ค, คุมอยู่รังขบวนชั่วพริบตาก็หายกันไปหมดเอ๊ะ ลมแปรทิศมันได้กลิ่นพวกเรากระมังชา ย, ยันอุทานเรายัางอยู่ใต้ลมมันครับและถ้าพวกมันได้กลิ่นหรือเหลือบมาเห็นเรามันจะไม่วิ่งหนีมาทางด้านที่เราหลบอยู่เป็นอันขาดผมคิดว่ามันได้กลิ่นอะไรจากดงด้านตรงข้ามนั้นมากกว่าไม่ทันจะขาดเสียงของระพินทุกคนก็ได้คําตอบที่แน่ชัดมีเสียงคำรามกระหึ่มแววมาจากชายดงด้านนั้นเบาๆมันเป็นเสียงเสือใหญ่ที่กําลังงุ่นงานจัดเพราะความหิว จอมพราจุดบุรีสูบเป็นตัวแรกนับแต่เริ่มแยกจากขบวนเกวียนแงหน้าขึ้นสังเกตตะวันที่เริ่มจะบ่ายคล้อยลงทุกขณะแล้วทำสัญญาณให้ทุกคนออกเดินต่อไปโดยตรงไปที่ปลักกลางทุง่งที่เห็นฝูงหมูรงเกลือกอยู่สักครู่นี้สำรวจรอบรอ บ, รอบปลักอยู่ครู่ก็มุ่งหน้าก็สู่โดงใหญ่อันเป็นที่มาของเสียงอ้าวฮึมเมยกโย ก, โยกเสียงนกกระยางร้องแซดอยู่ตามยอดไม้และฝูงข้างส่งเสียงจิกครก วิ่งผ่านกันอยู่ไปมาแตกตื่นไปหมดพอเหยียบย่างเข้ามาถึงชายโดงแห่งนั้นป่าทั้งป่าก็สงบเงียบเชียบไม่มีสิ่งใดไหวติงเลยมันเป็นป่าโคกไม้เบญจพรรณพื้นที่สูงต่ำเป็นลอนเต็มไปด้วยหมอและมาบฝนที่ตกทั่วไปเมื่อคืนวานทำให้พื้นชุ่มชื้นอากาศอบอ้าวระหว่างที่ทุกคนกำลัง ต, าต่ายต้นไม้ล้มต้นหนึ่งเพื่อข้ามลาห้วยแคบๆซึ่งมีน้าไหลยอยู่ตื้นๆ จอมพรานก็ชี้ให้คณะนายจ้า ง, งเขาดูรอยตีนของไอ้รายที่ปรากฏอยู่ริมห้วยใกล้กับต้นไม้รม่มมันเป็นรอยใหม่เอี่ยมสดๆร้อนๆเพิ่งผ่านมาไม่กี่อึดใจนี่เองรอยนั้นใหญ่อาการมันจะต้องเป็นตัวเดียวกับที่ร้องอยู่เมื่อครู่นี้และเป็นต้นเหตุให้หมูป่าทั้งฝูงที่เกลือกปลักอยู่ชายทุ่งพา ก, กันเคลื่อนหนีไปทุกคนดูเงียบๆแล้วก็ผ่านไปโดยไม่ปิดปากคําใดต่อมาก็มีเสียงนกยุงร้องสะท้อนกล้องไปทั้งป่า บนเนินสูงด้านหน้าผู้ข้างทักกันเกลียวกล่าวขึ้นอีกยอดไม้ไหวอยู่ยวบยากมันขึ้นไปบนเนินนั่นแล้วเช่ฐากะซิบพยายามกวาดสายตาคมไวัยไปทุกพุ่มลกและโคนไม้ใหญ่แต่รพินเฉยเฉยไม่ได้พูดอะไรทั้งสิน้นคงพาเดินอ้อมไหลเนินนั้นไปด้วยอาการปกติไม่นานนักก็ตายลงบริเวณรา ช, ชันในระหว่างตีเนินสองลูกซึ่งขึ้นอุดมไปด้วยกระทือป่าบอล และตะไครน้ำตำแหน่งนั้นต้นไม้เล็กหลายต้นมีรอยถอนโคนหักราพนาศูนย์ไปทั้งแถบรอยตีนช้างเปื่อไปหมดเป็นรอยใหม่พรานใหญ่หยุดชะงักกว่าสายตาสำรวจดูอยู่ครู่เดียว<ๆ>ก็มองมาทางเชี่ยากับชัยยันนึกไม่ถึงเมื่อคืนนี้มันลงกินที่นี่เองโคลงไอแหวงแน่หรือชายยันกระซิบถามและแทนคาตอบ แล้วินก้าวเดินเข้าไปในดงกล้วยป่าใกล้ๆที่หักยับเยินเหล่านั้นเมื่อทุกคนเดินตามเข้าไปก็พบกองมูลสีดำสดๆถ่ายไว้กาดเกือน